ไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เป็นเครื่องมือผลิตนักปราดจึงแสวงหาความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้คนพานหรือคนโง่จะแสวงหาความสุขที่ จากสิ่งต่างๆนอกจากความสุขของใจเคอจะแสวงหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะแทนที่จะหาความสุขจากการทำใจให้สงบเพราะความหลงความโง่ ทำให้ไม่เห็นว่าความสุขที่แท้จริงความสุขที่เดืเอดเลิกคือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี่คือเครื่องวัดความโง่ความฉลาดของของคนเราคนฉลาดย่ยมแม่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 มีทานมีศีลและมีสมถะภาวนาก็คือนัก บ, บวชต่างๆนั่นเองนัก บ, บวชนี้เขาจะได้ทำทานอย่างเต็มที่เขาได้สละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองสิ่งต่างๆที่เขามีอยู่เพราะเขาเห็นว่ามันไม่เป็น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 ทรัพ ส, สมบัติเข้าของเงินทองแล้วก็ออกไปบำเพ็ญอยู่ตามสถานที่สงบสงัดอ่างไกลจากเรื่องวุ่นวายต่างๆจเจริญสมถะภาวนารักษาศิงให้กายวาจาใจสงบแต่การบำเพ็ญของเขานี้ก็จะได้ความสงบในระดับ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 กิเลสตัณหาที่ไม่ได้ตายก็จะออกมาทำงานต่อมาสร้างความโลภความโกรธความหลงสร้างความอยากต่างๆพอกิเลสเริ่มทำงานตัณหาความอยากเริ่มทำงานความสงบที่ได้จากความความสุขที่ได้จากความสงบก็จะจางหายไปเพราะความสงบจะ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 ทรงเห็นธรรมอารมณ์ที่มีอยู่ในใจก็เป็นไตรลักษณ์เหมือนกันมีเกิดแล้วก็มีดับเกิดดับเกิดดับไปอย่างนั้นไปเรื่อยๆเมื่อทรงเห็นว่าเป็นไตรลักษณ์ก็ทรงปล่อยวางไม่มีความอยากได้ทิงเหล่านั้นมีก็ไม่ยึดไม่ติด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 ได้เงินได้ทองมาเป็นร้อยล้านพันล้านใจก็รู้สึกเฉยเฉยจะได้ตำแหน่งอะไรสูงส่งขนาดไหนใจก็ไม่ยินดีเไรเฉยเฉยจะได้รับการสรรเสริญเยินยอหรือได้รับการขอลหานินทาก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใดจะได้รูปเสียงกลิ่นรสผลท พ, พมา ที่วิจิตพิสดารที่มีคุณค่าราคามากน้อยเพียงไรก็ไม่ได้ดีอกดีใจหรือเสียอกเสียใจเวลาที่สูญเสียรูปเสียงกิรนยลดผธระเหล่านั้นไปใจไม่มีความยึดติดกับสิ่งต่างๆเพราะเห็นได้ด้วยปัญญาว่าสิ่งต่างๆเป็นทุกข์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 เรื่องของตายักก็เรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาพอพระปัจจวคีได้ยินได้ฟังก็น้อมเอาไปปฏิบัติกันจนบรรลุปเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาพร้อมกันทั้งห้าองค์ในการแสดงทำขั้นแรกมีเพียงรูปเดียวที่มีความฉลาดมากกว่าอีกสี่รูปที่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 เพียงแต่รอให้แสงสว่างแห่งธรรมมากระทบท่านั้นมาสัมผัสท่านั้นก็จะทำให้ใจนั้นหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงได้บรรลุเป็นพออาระอรหันต์บรรลุถึงพระนิพพานได้หลังจากนั้นก็ทรงไปโปรด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 หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบอย่างท้าววอนได้ก็ปรากฏมีพระอรหานตาสาวุกขึ้นมาเป็นจำนวนมากในช่วงระยะแรก แ, รกแรกของแห่งการประกาศพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นเจ็ดเดือนต่อมา ก็ปรากฏมีพระอาหารหันต์1250รรูปที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้สั่งสอนและเป็นผู้อุปชาอุปสมบทให้ได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจากสารทิตต่างๆโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนเพียงระยะเวลาเจดเดือนเท่านั้นหลังจากที่ทรงประกาศพระทำคำสอนให้แก่พระปัญจวคี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 บวชแล้วแต่ยังไม่ได้สมาธิได้ทำทานได้รักษาศีลแต่ยังไม่ได้สมาธิก็สอนให้เขาเจริญสติเพื่อให้ทำใจให้สงบแล้วเมื่อใจเขาสงบแล้วก็สอนให้เขาออกทางปัญญาให้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งต่าง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 ตั้งแต่ตื่นจนหลับจนสามารถทําใจให้เข้าสู่ความสงบได้ใจเป็นสมาธิได้พอออกจากสมาธิมาก็พิจารณาใจรักพิจารณาลาบยศรัสรเสนพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสผลตพะพิจารณาขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาธรรมอารมณ์ว่าเป็น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 ถ้าเห็นความไม่สวยไม่งามในร่างกายตลอดเวลาก็จะสามารถระงับการอารมณ์ได้สามารถอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมีคู่ครองอนี่คือบุคคลกลุ่มที่สองที่พระพุทธเจ้าท่งโปรดหลังจากที่ได้โปรดบุคคลกลุ่มที่หนึ่งแล้ว บุคคลกลุ่มที่หนึ่งนะเปรียบเทียก็เป็นเหมือนกับน้ำกะทิน้ำแรกจะเข้มข้นมากแต่พอน้ำกทที่สองนี้ความเข้มข้นก็จะน้อยลงความเข้มข้นก็คือความรู้ความสามารถก็ต้องสอนให้เขาเพิ่มความเข้มข้นให้แก่จิตใจของเขาโดยการสอนให้เจริญสติ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 การจากการไปของเขาได้นี่คือปัญญาที่อยู่ในใจคือความคิดตรุงแต่งที่คิดไปตามความเป็นจริงของสิ่งที่ใจมาสัมผัส ร, ร, รับรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เองอริยรรสัจสี่อยู่ข้างในแต่อั น, นิจจังอนัตตาอยู่ข้างนอกอ น, นิจจังอนัตตานี้อยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสผลถะะอยู่กับ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 ก็ส่งสอนให้เขาทำทานรักษาศีลให้เขาละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่เขาใช้เป็นเครื่องมือในการซื้อความสุขต่างๆให้เขาเอามาแจกจ่ายแบ่งปันช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนไม่ให้เขาใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆด้วยความอยากตามความอยาก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 ซึ่งเป็นความสุขปลอมอสอนให้เขารักษาศีลเพื่อที่จะได้รักษาใจของเขาไม่ให้วุ่นวายนั่นเองอทำทานให้รักษาศีลห้าวันพระก็ให้ถือศีลแปดให้ไปเปีกวิเวกหาสถานที่สงบสงัดเพื่อที่จะเจริญสติเพื่อที่จะทาใจให้สงบ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 รักษาศีนแปดด้วยการเจริญสมเจริญสติเจริญสมถภาวนาเจริญปัญญาไปต่อไปก็จะสามารถปฏิบัติได้เต็มรูปแบบเหมือนกับนักบวช ท, ทั้งหลายแล้วก็จะสามารถบรรลุทำขั้นต่างๆได้นี่คือบุคคลสามกลุ่มที่เปรียบเหมือนบัวสามเราที่มีศักยภาพ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 เหตุที่ทำให้ใจไม่สงบก็ทรงค้นพบว่าเป็นตัณหานี้เองเป็นความอยากสามประการด้วยกันคือกามตัณหาความอยากในกามในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัพฑ์ภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากได้นี่อ ย, นนอยากมีนั่นอยากมีนี่แล้วก็วิภาวะตัณหาความอยากไม่มีไม่เป็น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 ที่จะทําให้ใจนี้ไม่สงบทําให้ใจไม่มีความสุขพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้พยายามละกะตัญหาทั้งสามนี้ให้ได้ด้วยการเจริญวิปัสสนาภาวนาพิจารณาไตรลักษณ์อยู่เรื่อยๆพิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆพิจารณาอาหาเรเลยปฏิกูลสัญญาอยู่เรื่อยๆพิจารณาดินน้ำลมฝ่พิจารณาอาการสามสิบสอง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 คนมาสอนวิธีรักษาได้ด้วยปัญญาก็คือมีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนก็สามารถใช้ปัญญานี้ทาลายผู้ที่จะมาทาลายความสงบมาทาลายความสุขที่เกิดจากความสงบนี้พอทาลายผู้ที่จะมาทาลายความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ได้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ก็จะสงบไปเรื่อยๆเพราะจะไม่มีใครมาทาลายนั่นเอง ก็เลยกลายเป็นความสุขความสงบที่ถาวรหลังจากที่ได้ทําลายผู้ที่จะมาทําลายความสุขความสงบนี้แล้วก็คือตัณหาความอยากนี่องนี่เป็นความสงบที่ถาวรเป็นความสุขเป็นความสงบที่ไม่ต้องดูแลรักษาอีกต่อไปเพราะว่าผู้ที่จะมาทําลายนั้นได้ถูกทําลายไปหมดแล้วคือกิเลสตัณหา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 ถ้ายากแล้วพระพุทธเจ้าจะไม่เสียเวลามาสั่งมาสอนพวกเราแต่ทรงเห็นว่าพวกเหล่านี้ยังมีสักยาภาพถ้าพวกเราทำทานได้รักษาศีลห้าได้พวกเรามีสักยายภาพที่จะก้าวขึ้นสู่ธรรมที่สูงกว่านี้ได้คือขึ้นสู่ศีลแปดได้ขึ้นสู่การบำเพ็ญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาได้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 การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอ่อรอยาทาวาริวาหาปุราปาเลกเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปการปติอิธิตังปฏิตังตุมหังคิดป้าเมวะสมิจโต สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยทามนิโชติอรโสยทาสพิติโยวิวัจจานตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวนตารายสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิษะนิจังวุฒาปจายโน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 เจตนาของตนคือไม่ได้ถูกบังคับเหมือนจ่ายภาษีนี่มันถ้าไม่ถ้าไม่ถูกบังคับก็คงจะไม่จ่ายการให้ทิปถ้าเขาไม่มีทมเลียมให้ทิปก็คงจะไม่ทิปกันนี่มันต้องออกมาจากใจที่อยากจะให้ครทีนี้จะให้ด้วยเหตุผลใดนี้ก็ไม่เป็นไรให้เพราะอยากจะตอบแทนบุญคนก็ได้ให้เพราะอยากจะสร้างมิตรกันก็ได้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 เป็นการแลกเปลี่ยนกันยื่นหมูยื่นแมวให้กันเหมันไปซื้อของที่ร้านให้เงินที่ร้านแล้วร้านเขาก็ให้ของเรามาครับถ้าจะเป็นทานก็ให้เขาแล้วให้เงินเขาแล้วไม่เอาของ บ, บอกว่าเห็นเขาขายไม่ดีเลยสงสารเลยมาอุดหนุนแต่ไม่ได้อยากจะมีของอได้ของแล้วก็คืนเข้าไปซื้อของก็คืนเข้าไปอย่างนี้ก็เป็นทาน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 พอดีเมื่อกี้เลยมีอีกคำถามนึงครับ อ, อย่างเช่นเวลาเราไปสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมะีผู้สูงอายุหน่อยแล้วก็มาขายของที่เกินมูลค่าอย่างเช่นถุงลูกอ ม, มน่าจะประมาณห้าบาทแต่ว่าเขาขายยี่สิบาทแล้วเราก็ซื้ออย่างงี้โดยที่เรารู้ส่วนต่างอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นทานไหครับหรือว่าเราควรให้เงินไปเลยแล้วก็ไม่ต้องเอาของครับก็อยู่ที่ว่าเราเราให้เงินเขาเพื่ออะไร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 อ่านจากหนังสือเล่มนี้ค่ะพระพุทธโอวาสก่อนปริณิพานพระพุทธเจ้าตรัสกับอานน์ว่าท่านเนี่ยได้อบรมอิทธิบาตรสี่มาอย่างดีแล้วทําจนคล่องแคล่วแล้วเพราะฉะนั้นถ้าท่านปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ถึงหนึ่งกับคือ120ปีก็สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ทําไมอิทธิบาตรสี่ถึงส่งผลให้สามารถมีชีวิตยืนยาวได้คะก็จิตที่มันสงบจิตที่มีความสุขก็จะไม่ไปกระทบกับการทํางานของร่างกาย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 แต่เราสามารถเราไปใช้ในทางอื่นได้แต่เป้าหมายของอิทธิบาทสี่ที่แท้จริงก็คือชำระกิเลสตัณหานี่เองทำใจให้สงบตลอดเวลาไม่มีความเครียดเจ้าค่ะขอพระคุณเจ้าค่ะต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะ เ, เดี๋ยวกั น, นเอาขอมีเพวถามต่อคะ่ะกราบหลงพ่อครับ ตั้งใจจะถามมาหลายครั้งแต่ไม่กล้าถา ม, เ, มเรื่องของสักกายทิฐิก็ับหลวงพ่อครับว่าพโพสตระบันที่สามารถละสักกายทิฐิยี่สิบได้ได้สมบูรณ์เนี่ยผมสงสัยว่าทำไมถึงยังยังมีครอบครัวเพราะว่าเพราะว่าก็ยังนะ่าจะเกี่ยวข้องกับร่างกายอยู่แล้วว่ามันเป็นแค่โนมแครเจอร์ของการแปลคำว่าสักกายทิฐิเท่านั้น คือสักคายาทิฏฐนี้สำหรับพระโสดาบันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องการลักตัวกลัวตายเท่านั้นเองคือกลัวความตายกลัวร่างกายจะตายเพราะไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นเป็นใจใจก็เลยวุ่นเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปแต่ถ้าสอนใจให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจใจเป็นเหมือนคนขับร่างกายนี้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 รักในร่างกายของผู้อื่นรักความสวยงามของผู้อื่นอย่างเวลาเห็นร่างกายของผู้อื่นที่ถูกต้องใจชอบใจก็เกิดการมารม์ขึ้นมาอยากที่จะร่วมหลับนอนอยากที่จะหาความสุขกับร่างกายนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของพระสกิดาคามีกับพระนาคามีที่จะต้องเจริญเจริญอสุภะดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกาย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 แสงว่าสกิยาิธินี่มีสองระดับใช่ไหมในระดับของโสดาบันกับระดับสูง ก, ก็ระดับเดียวนั่นแหะเพียงแต่ว่าเรื่องของเรื่องของการมาราคะนี้ท่านไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าสกยิยทิธิท่านเรียกว่าเป็นการมาราคะคือความยังมีความรักใคร่กับรูปที่รูปร่างหน้าตาที่สวยงามอยู่แล้วถ้าเวลาตอนสมมุติเราจะตายเนี่ยที่หลวงพ่อเคยบอกว่าถ้าถ้าจะตายและถูกประคับให้ยอมรับความตายเนี่ยมันก็ ยังไม่ใช่ก็คือว่าแสดงว่า จ, จิตยังมีความความกลัวอยู่ใช่ไหมฮะแตใช่ะแต่ก็ไม่รู้กลัวแต่ก็รู้ว่าทําอะไรไม่ได้ก็เพียงอย่างมากก็ไม่ต่อต้านแต่ถ้ามีโอกาสที่จะให้รอดไม่ตายได้ก็จะพร้อมที่จะพร้อมที่จะหนีอ่พร้อมที่จะหนีต่ออแต่ถ้าเห็นว่าการที่เราไปหลงไปยึดติดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรานี่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 แต่ถ้ามีโอกาสเมื่อไหรก่ก็ที่จะคิดว่าจะไม่ตายมันก็จะมันก็จ ะ, จะดินด้นทันทีครับเข้าใจครับครบับพ่อครับต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากคุณนวลปองสงสัยเรื่องสติปัฏฐานสี่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 เขาขี้ลาดเยี่ยวลาดเราก็อย่างมากก็อนอกจากเราเป็นคนใจโหดร้ายจริงๆก็ทุบมันตีมันบ้างอถ้าโหดร้ายขนาดนั้นก็ต้องมาแก้ด้วยวิธีหนึ่งว่าเราต้องอยากไปอยากให้เขาไม่ขี้ไม่เยี่ยวเราต้องยอมรับว่ า, เ, าเขาเป็นอย่างนี้เราไปห้ามเขาไม่ได้เป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศอื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 ก็คื อ, คอคำถามต่อไปจากคุณนพพลข้อแรกพอนั่งสมาธิครบเวลาที่กำหนดไว้แล้วผมจะใช้การคิดพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังต่อไปเลยได้ไหมครับถ้าได้เวลาพิจารณาควรให้เห็นภาพขึ้นมาด้วยไหมครับเช่นผมก็เห็นภาพผม คือถ้าจิตมันสงบจริงๆนี้มันจะไม่มีความคิดปรุงแต่งมันจะสักแต่ว่ารู้ถ้ามันอยู่ในสภาพนั้นมันไม่สามารถพิจารณาได้เราก็ต้องปล่อยให้มันสักแต่ว่ารู้ไปจนกว่ามันจะถอนออกมาพอมันเริ่มมีความคิดปรุงแต่งแล้วนั่นแหะเราถึงจะสามารถพิจารณาได้ยั้นเวลาจิตรวมลงสักแต่ว่ารู้นี้อย่าไปบังคับอย่าไปลากมันออกมา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 จะได้มีกําลังออกไปทำงานต่อไปไม่ใช่ไม่ทันพักผ่อนพอสงบปั๊บก็ดึงมาทำงานเลยมันก็จะไม่มีแรงทำงานอยู่ดีฉนั้นถ้าจิตรวมเป็นอัปปนาได้ไม่มีความคิดปรุงแต่งสักแต่ว่ารู้่อยให้มันสักแต่ว่ารู้ไปจนกว่าความคิดปรุงแต่งเริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วตอนนั้นนะเราถึงสามารถที่จะพิจารณาอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะพิจารณาชื่อของมันไปก่อนก็ได้เช่นนาการสาสบสอง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 เช่นยังไปหลงว่าเป็นตัวเราของเราอยู่ก็แสดงว่ายัางพิจารณาไม่พอต้องเห็นว่ามันไม่มีตัวเราในร่างกายเลยมันมีแต่อาการ32สองเท่านั้นเรือเห็นว่ามันเป็นเพียงดินน้ําหำลมไฟมันมาจากอาหารจากลมที่เราหายใจเข้าไปจากน้ําที่เราดื่มเข้าไปเวลาตายไปมันก็แยกห่างกันไปน้ําก็ไหลออกมาลมก็ระเหยออกไปไฟก็หายไป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 ในชีวิตประจำวันเวลาทำงานผมจะมีความทุกข์กับเรื่องที่ถูกหัวหน้าด่าว่าตาหนิด้วยน้ำเสียงที่มีโทสะและไม่ฟังเหตุผลที่ผมชี้แจงเจ้าโทสะนี่ผมเจอทุกครั้งก็ทุกใจทุกครั้งมันทั้งกลัวและกลุ้มขอพระอาจารย์ชี้แนะวิธีแก้ทุกด้วยครับความทุกข์ของเราก็คือความอยากไม่เจอสิ่งเหล่านี้นั่นเอง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 แต่ถ้าเรารู้จักหยุดมันต่อไปมันก็จะไม่มีวันโผล่ขึ้นมาได้ mm hmm. เวลามันจะโผล่ล้วก็พุทโธพุทโธไปมันก็หายไป mm hmm. แล้วถ้าเราพุทโธไปเรื่อยๆคุมมันไปตลอดเวลาต่อไปมันก็จะไม่สามารถโผล่ขึ้นมาได้เฉนั้นต้องต้องหยุดมันอย่าไปอย่าไปตามรู้มันต้องใช้อะไรเป็นเครื่องควบคุมใจยึดเหนี่ยวจิตใจไว้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 ถ้าหยุดคิดเมื่อหลายเดียวมันก็โผล่ขึ้นมาได้ต้องเจริญสติอย่างต่อเ น, นื่นองตลอดเวลาแล้วต่อไปสิ่งต่างๆที่เราไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นมามันจะไม่เกิดคำถามต่อไปจากคุณคณิศขอเรามัสการถามว่าสีลห้าสีลแปดสีลสิบมีปรากฏในคำสอนอะไรมีประวัติว่าให้มีสีลทั้งสามอย่างนี้ตอนไหนในพุทธประวัติครับ เวลาไปหาหมอเราต้องไปถามหมอหรือเปล่าหมอไปเรียนที่ไหนหมอเขาให้ยาเลยมากินก็กินไลกินแล้วหายก็ใช้ได้อย่าไปรู้ไอ้เรื่องที่ไม่ควรจะรู้ไอ้เรื่องควรจะรู้กับไม่สนใจคำถามต่อไปจากคุณกหนกพรภัยารอสวเสดีเรียนพระอาจารย์สุชาติคนเราตายร่างกายดับแต่ใจไม่ดับ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 พระอาจารย์เคยเทศว่าพระอาหารหันท่านละขันห้าขันห้าไม่ได้สลายตัวไปเพราะเพราะพ ร, ะพราะระอาหารหันต์ที่มรณภาพไปแล้วยังสามารถนำขันห้าเหล่านี้กลับมาติดต่อกับบุคคลต่างๆได้อีก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 การมองคนอื่นเพ่งโทษคนอื่นนี้มันมันไม่เป็นประโยชน์มันควรจะเพ่งโทษตัวเราจะดีกว่าควรจะดูความบุกร่องของเราอย่าไปดูความบกุกรองของคนอื่นยกเว้นว่าเราเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพ่อเป็นแม่นี้เราอาจจะต้องอสอดส่องดูแลผู้ที่เราสั่งสอนอบรม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 คืเขาทําตามเขาไม่ทําตามก็อย่าไปโกรธเขาเพราะถ้าไปโกรธเขามันก็กลับมาเป็นโทษกับเราเทําให้เราไม่สบายใจเะฉั้นเวลาเรามีหน้าที่ที่จะต้องเพ่งโทษหรือสอนผู้อื่นเนี่ยเราต้องสอนด้วยใจที่ปราศจากอารมณ์ปราศจากความโลภความอยากให้เขาทําตามคําสอนของเร า, าเรามีหน้าที่บอกทางก็บอกเขาไป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 ทุกข์กับเขาจนท้้งเกิกลายเป็นความโกรธเกลียดขึ้นมาเราสามารถมีมาตรการป้องกันได้ห้ามเขาได้ N ยันบอกให้เขาทําอย่างนี้เขาไม่ทําเราก็ลงโทษเขาได้ไม่ให้ค่าขนมไม่ให้ดูทีวีหรือทําอะไรเพื่อเป็นการปรามเขาอย่างนี้ทําได้แต่ต้องทําด้วยเหตุผลและไม่มีอารมณ์ถ้ามีอารมณ์นี้มันก็จะทําให้เราทุกข์ขึ้นมา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 ทีนี้ธาตุหกนี่มันคือสิ่งที่อยู่ในโลกธาตุรวมกับธาตุใจใช่ไหมครับหลวงพ่อที่ที่มันจะมีจํานวนที่มันคล้ายๆกับว่าคือมันเปลี่ยนแปลงภายใต้กฎอนิจจังแต่ว่ามันไม่สูญหายไปในเหมือนกับสาสารที่มันไม่สูญหายไปแต่มันเปลี่ยนแปล ง, ปลงไปก็ธาตุสีนี้ก็เป็นสาสารไงสาสารที่เรียกว่าธาตุดินก็เป็นของแข็งธาตุน้ำก็เป็นของเหลวธาตุไฟก็คือความร้อนหรือพลังงาน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 ้ารูนี่อยู่ یک, อีกมิติหนึ่ง้ารูนี่แต่มีความสามารถที่จะเชื่อมมาเกี่ยวข้องกับธาตุทั้งสี่ได้คือ ใ, ใ, ใจของเรานี่ไม่ได้อยู่ในร่างกายไม่ได้อยู่ในโลกนี้แต่สามารถที่จะส่งกระแสของมันเข้ามาครอบครองร่างกายอันนี้ได้ ใ, ใจของเราเนี่ยตอนนี้กำลังครอบครองควบคุมร่างกายนี้อยู่สั่งให้มันทำการทางานอยู่ต่าง แต่สมมติว่าเกิดระเบิดนิวเคลียร์ขึ้นมาเนี่ยโลกนี้ร่างกายนี้ตายกันไปหมดเนี่ยใจก็ไม่โดนรุ่งระเบิดเพราะใจมันไม่ได้อยู่ในโลกนี้มันอยู่ในโลกที่ซึ่งท่าทั้งหมดนี่ก็จะมีจํานวนเท่าเท่ากันก็มีอยู่อย่างนี้แหละมไม่สูญหายไปไหนเปลี่ยนแปลงได้แต่ไม่สูทหายไปไหนก็อย่างไอส์ตายที่เขาค้นครบไอยีเท่าอนซีสแควรเนี่ยมันมันเคาะมันตายตัวมันไม่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 แต่ใจก็ยังเป็นใจเหมือนเดิมอยู่คือใจของพระพุทธเจ้าใจใจของพวกเราก็ยังเป็นใจเป็นผู้รู้อยู่เหมือนดันต่างที่ปริมาณหรือสถานภาพที่อยู่ในใจมันต่างกันของพระพุทธเจ้ามีแต่ประบังสุขขังพวกเรามันมีแต่ประมังทุกขังมันต่างแค้ตรงนั้นเ <G ül üyor> ข้าใจไหมเพราะพวกเรายังมีความโลภความโกรธความโงมีกิเลสตัณหาอยู่มีตัณหาความอยากอยู่ ใจใจของพระพุทธเจ้าไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีตัณหาอยู่ท่านนั่นที่มันต่างกันเหมือนคนที่เป็นโลกกับคนไม่เป็นโลกอะ่ะเข้าใจไหมอ่คนเป็นโลกมันยังมีเชื้อเอชอยู่างเงี้ยมันก็ต้องมีแต่เจ็บนู่นเจ็บนี่ต้องคอยกินยาคุมมันไปเรื่อยเอา่าแต่คนที่ไม่มีเชื้อเอชนี่ก็สบายาไม่มีโลกภัยใข้เจ็บก็มีแค่นี้ใจของเราใจของเราตอนนี้เป็นเหมือนคนไข้ติดเชื้อเอชกัน ต้องมาหาวิธีกำจัดมันให้ได้ยาที่จะกำจัดคือธรรมโอสถก็คือศีลสมาธิปรรัญญาและทานศีลภาวนานี่เองเขาใจอย่างความสัมพันธ์ระหว่างาธาตุทั้งหกนี้อ้าวมาเอาส่งไม้กลับม า, อ, า อ, อ, <laughs> อย่ามาตีกันหมนี่นะ <laughs> <laughs> S <S> ยากยากค่ะแต่ว่าเจ้าคาพอดีถามเรื่องการปฏิบัติของตัวเองค่ะก็คือว่ามันอ่านเยอะด้วยแล้วมันก็สับสนเองก็คือสติรูร้แล้วทราวแล้วจะค่ะแต่ว่าสมาธินี่คือว่ามันมันมีหลายคือชอบทั้งหมดที่ที่อ่านมาเลยค่ะก็คือว่าอันแรกคือตอนแรกปฏิบัติว่าสวดมนต์สวดมนต์ก็จับเวลาก็สวดไปเรื่อยๆ พอหลังๆพอสวดไปเรื่อยปุ๊บมันเริ่มคล่องคล่องเสร็จมันก็เริ่มจิตมันก็เริ่มออกไปข้างนอกแล้เพราะปากก็สวดแต่จิตมันไม่อยู่กับส่วดมนต์นะคะพอก็เลยมาเปลี่ยนใหม่อ่ะดูกายบ้างคราวนี้ดูตั้งแต่ผมจนถึงปลายเท้าไปเท้าไปผมดูไปดูมาเสร็จเออมันก็สงบดีแต่มันก็จะกลายเป็นความสงสัยว่ามันเป็นการที่มันไม่สงบเพราะว่ามันมันคิดฟุ้งในในร่างกายเราแต่ไม่ออกข้างนอกแต่มันอย่างน้อยมันก็ใจมันก็รู้สึกว่าเออ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 เราต้องห า, หาสถานที่ที่เอื้อต่อการบําเพญ็ญที่ที่บริกรรมอะค่ะที่ที่ดูลมหายใจกับที่ดูดูเอายวัชย์ข้างในเนี่ยค่ะมันมันก็ช่วยได้ในระดับนึงมันดีกว่าไปคิดถึงเพชรแห ว, ว, วนเพ ช, เพชรหรือเสื้อผ้าหนังเรื่องนั้นหนังเรื่องนั้นหนังเรื่องนี้คิดถึงหนังเนื้อเอ็นกระดูกมันก็ยังยังพอที่จ ะ, ะทําให้ใจ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 อย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นหรือไม่ก็ดูลมไปเร<ล>ื่อยๆเลยใช่ไหมเจ้าค่ะคือเบื้องต้นถ้าดูลมไม่ได้ก็ต้องสวดไปก่อนเพราะการสวดนี่มัน<อ>มันไม่ต้องใช้กำลังมากเท่ากับการดูลมไไม่ต้องใช้ <Rub en. S 2> สติมากเท่ากับการดูลมถ้าสวดไม่ได้ก็ฟังเทศไปก่อนก็ได้มันก็<อ>มันมันมีระดับของสติที่ใช้ต่างกันไงการฟังเทศนี้อาจจะไม่ต้องใช้สติมากเท่ากับการสวดมนการสวดมกนก็ไม่ต้องใช้กำลังของสติมากเท่ากับการดูลม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 เก็นอยู่กับสถานภาพของถนนเวลาออกรถนี่ก็ต้องเข้าเกียร์หนึ่งเวลาวิ่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นเกียร์สองเกียร์สามได้เวลาเราจะรินสติก็แบบเดียวกันถ้าสติมีน้อยก็ต้องใช้การฟังธรรมเป็นเครื่องดึงสติกลับมาก่อนหรือใช้สวนมนต์พอสติกลับมาแล้วก็มีกำลังดูลมก็ดูลมไปคืออย่างนี้ค่ะเมื่อกี้หนูลืมบอกหลวงพ่อไปว่า ที่ทำมาทั้งสามแบบนี่คือทำแต่ละครั้งคือทำแบบเดียวเจ้าค่ะแต่ว่าจะดูว่าวันเนี้ยฝูงมากก็จะดูดูกายยันปลายดูสีษายยันปลายเท้าไปเรื่อยๆจนเสร็จ ภ, ภารกิจแล้วพอวันต่อไปถ้าเกิดเราเริ่มสงบเนี้ยค่ะก็อาจจะดูลมเนี้ยเจ้าค่ะแต่ในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะไม่ไม่เป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดว่าเออต้องพุโทโธตลอดต้องสวดมนต์ตลอดเลยเจ้าค่ะ คือที่พูดนี่หมายถึงตอนเวลาเรานั่งใช่ค่ะเวลาเรานั่งแล้วเวลาเรานั่งแ้่เวลาไม่นั่งนงี่เราก็ใช้การเจริญสติไปก่อนก็ได้แบบที่จะดูลมดูร่างกายหรือสวดมนต์ไปก็ได้<อ>แต่ที่พูดนี่หมายถึงว่าพอเราเวลานั่งแล้วเนี่ยเราต้องมาดูแล้วว่าเราทำอะไรได้เราดูล้มได้หรือเปล่าถ้าเราดูล้มไม่ได้เราก็สวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไม่ได้ก็ฟังเทศไปก่อน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 ค่ะสุดท้ายแล้วสิค่ะคือเวลาทํานี่มันก็มันอยากทําค่ะพะทําเสร็จปุ๊บมันอยากออกแล้วค่ะก็มันหมดกําลังไงโอ้ก็หมดสติคือกิเลสมันอยากจะออกธรรมะจะดึงมันเข้าไงมันก็เป็นเหมือนการชักเกเยาะกันถ้าธรรมะมีกําลังมากกว่าก็ดึงมันเข้าข้างในได้พอธรรมะคือสติอ่อนกําลังลงกิเลสมันก็กําลังมากกว่ามันก็อยากจะออกมันก็อยากจะหยุดนไง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 ใจแล้วจ้ค่ะพระพุทคุณค่ะอาตอนนะวันนี้ก็คิดว่าได้เนื้อได้หนังมากกว่าทุกวันก็ขอให้ท่านจงนำเอาเสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ใบพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ